การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานนี้นักศึกษาฝ่ายตะวันตกบางท่านนำไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเคราะห์ของจิตแพทย์สมัยปัจจุบันและประเมินคุณค่าว่าสติปัฏฐานได้ผลดีกว่าและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่าเพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เองและใช้ในายามปกติเพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วยอย่างไรก็ตาม ในที่นี้จะไม่วิจารณ์ความเห็นนั้นแต่จะขอสรุปสาระสำคัญของการเจริญสติปัฏฐานตามแนวความคิดเห็นแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนี้ก่อกระบวนการปฏิบัติ 1. องค์ประกอบหรือสิ่งที่ร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัตินี้มี2ฝ่ายคือฝ่ายที่ทำอันหมายถึงตัวทำการ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 คือกำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆส่วนองค์ประกอบฝ่ายที่ทำคือองค์ธรรมที่ถึงที่ทันอยู่ต่อหน้ากับสิ่งนั้นๆไม่คลาดคลาไม่ทิ้งไปคอยตามดูรู้ทันเป็นองค์ธรรมหลักของสติปัฏฐานได้แก่สติกับสัมปชัญญสะญญสติเป็นตัวดึงตัวเกาะจับสิ่งที่จะมองจะดูจะรู้เอาไว้สัมปชัญญะคือปัญญา ที่รู้ชัดต่อสิ่งหรืออาการที่ถูกมองหรือตามดูนั้นโดยตระหนักว่าคืออะไรเป็นอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเช่นขณะที่เดินก็มีสติให้ใจอยู่พร้อมหน้ากับการเดินและมีสัมปชัญญะที่รู้พร้อมอยู่กับตัวว่ากําลังเดินไปไหนอย่างไรเพื่ออะไรรู้ตระหนักภาวะและสภาพของผู้เดิน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 สัมปชัญญะที่ว่ารู้ตัวผิดพลาดไปโดยเอาสติมากำหนดนึกถึงตนเองและรู้สึกตัวว่าฉันกำลังทำนั่นทำนี่กลายเป็นการสร้างภาพตัวตนขึ้นมาแล้วจิตใจก็ไปจดจ่ออยู่กับภาพตัวตนอันนั้นเกิดความเกรงตัวขึ้นมาหรืออย่างน้อยจิตก็ไม่ได้อยู่ที่งานทำให้งานที่กำลังทำนั้นแทนที่จะได้ผลดีก็กลับกลายเป็นเสียไป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 ตัวเราตัวเขาในกอในขอเป็นต้นตัวอย่างเช่นตามดูเวทนาในใจของตนเองขณะนั้นมีทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกนั้นเกิดขึ้นอย่างไรกำลังจะหมดสิ้นไปอย่างไรหรือตามดูธรรมารมเช่นมีความกังวลใจเกิดขึ้นเกิดความกลุ่มใจขึ้นก็ตามดูความกลุ่มหรือกังวลใจนั้นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร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 พร้อมทั้งความปลอดโปร่งผ่องใสเบาสบายของจิตใจ